คุณสมบัติของกาลยาดมิตรที่กวรย้ำไว้ในตอนท้ายมีสองประการซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคุณสมบัติของกาลยาณมิตอย่างเลิศคือความเป็นผู้กระทำได้จริงในสิ่งที่สอนแก่ผู้อื่นหรือได้บรรลุผลสําเร็จนั้นๆด้วยตนเองแล้วจึงสอนเรื่องนั้นแก่ผู้อื่นอย่างหนึ่งและความเป็นอิสระเมื่อจะช่วยผู้อื่นตนเองไม่ติดนุ่งนงังอยู่ในเครื่องผูกพันเดียวกันกับที่เขากําลังติดอยู่อีกอย่างหนึ่ง อย่างแรกคือความเป็นผู้กระทำได้จริงในสิ่งที่สอนแก่ผู้อื่นมีพุทธภาษิตตรัสไว้หลายแห่งยกตัวอย่างเช่นในกุตการนิกายคถาธรรมบทอัตวัตมีพุทธภาษิตว่าทำตอนนี้แหละให้ตั้งอยู่ในคุณความดีอันสมควรก่อนจากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่นบัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมองจะพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้นคำเตือนอย่างนี้โดยมากเพ่งไปในด้านความประพฤติคือเรื่องความดีความชั่วแต่ในด้านการบรรลุผลสาเร็จทางจิตและปัญญาถ้าได้ผู้บรรลุแล้วมาเป็นกัลยาณมิตรก็ย่อมเป็นการดีเลิศถ้าไม่ได้ก็พึงหาผู้กล้าไปไกลกว่าหรืออย่างน้อยเสมอกันดังพุทธพจน์ที่กล่าวมาแล้วเพราะบุคคลผู้เป็นปหูสูตร ส่งความรู้ตามตำรา ห, หรือตามที่เล่าเรียนมาบางท่านชี้แจงสั่งสอนทำให้ผู้อื่นปฏิบัติบรรลุธรรมได้โดยที่ตัวผู้สอนเองหาบรรลุไม่หรือบางคราวผู้มีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบคน้นธรรมด้วยกันแล้วเลยพลอยบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกันเช่นพิสุผู้เถระประมาณ60สรูปสนทนาธรรมกับท่านพระเขมกะเถระพระธรร ม, มกถึกผู้มีชื่อเสียง เริ่มเจริญวิปัสนาในที่ที่พระเขมะกะเทระกล่าวธรรมแก่พวกตนและพิจารณาสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาจบเทสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งผู้ฟังและผู้แสดงเป็นเรื่องที่มีในเขมะกะสูตรสังยุตติกายขันธวารวักคุณค่าหรือประโยชน์ที่สำคัญด้านหนึ่งของความมีกันละยาณมิตรก็คือการมีตัวอย่างที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งที่กำลังปฏิบัติและมุ่งหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้จริงบั่นลุได้จริงและถ้าทำได้สำเร็จแล้วจะได้รับผลดีจริงอีกประการหนึ่งกัลยาณมิตรมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นดีกว่าจึงสามารถช่วยชี้แนะบอกแนวหรือวิธีการที่จะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นหรือมีทางลัดมากขึ้นกัญยาณมิตรที่ได้บรรลุผลการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว ย่อมอวยคุณค่าหรือประโยชน์ที่กล่าวมานี้ได้เต็มที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธามีกำลังใจแรงกล้าจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ควรจะเพ่งหวังการยานมิตรที่มีคุณส ม, สมบัติสมบูรณ์เช่นนี้ก่อนส่วนคุณสมบัติของการยานมิตรที่ควรย้ำอย่างที่สองคือความเป็นอิสระมองได้สองด้านคือด้านความเป็นอยู่หรือระบบการดาเนินชีวิตและความเป็นอิสระภายในจิตใจ ความเป็นอิสระนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วเกี่ยวกับพิสุจผู้คลุกคลีกับเรือหัายข้างต้นผู้ที่ติดอยู่ในเครื่องผูกมัดจองจำอย่างเดียวกับเขาหรือว่ายวนดิ้มรนอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวในเกลียวคลื่นเดียวกับคนอื่นแม้แต่ตนเองก็ยังช่วยไม่ได้จะช่วยปลดเปลื้องหรือรื้อถอนผู้อื่นขึ้นมาได้อย่างไรคนที่ติดอยู่ในระบบที่ผูกรัดของสังคม ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆตามแนวทางเดียวกับคนอื่นๆด้วยค่านิยมอย่างเดียวกันมีปัญหาบีบรัดกดดันทางด้านความเป็นอยู่การอาชีพของตนและครอบครัวดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเฉพาะตนและเฉพาะครอบครัวของตนเหมือนกันกับคนอื่นๆเมื่อสังคมเกิดปัญหาย่อมยากที่จะมีเวลามีความคิดมาอุทิศให้แก่การถ่ทอนคนอื่นๆหรือที่จะนาผู้คนออกไปสู่แนวทางใหม่ๆได้ เมื่อพยายามทำก็มักจะเข้าแนวที่ว่ากันว่าพายเรือเวียนวนอยู่ในอ่างยิ่งเมื่อทั้งระบบความเป็นอยู่ทั้งจิตใจล้วนไม่เป็นอิสระทั้งสองอย่างก็ยิ่งประสบความสำเร็จได้ยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระบบสงฆ์ให้เป็นชุมชนอิสระมีความเป็นอยู่หรือระบบการดำเนินชีวิตเป็นอิสระจากระบบของสังคมใหญ่ดังจะเห็นได้จากวินยัย ที่เป็นเครื่องจักรระบบแบบแผนของสงเมื่อมีระบบชีวิตความเป็นอยู่เป็นอิสระด้วยและมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นพื้นฐานด้วยก็จะทำให้สงเป็นชุมชนอิสระที่ช่วยชักนำสิ่งที่ดีงามถูกต้องเข้ามาให้แก่สังคมส่วนใหญ่อย่างได้ผลและสามารถเป็นแหล่งที่พึ่งอาศัยช่วยให้ความเป็นอิสระระดับต่างๆแก่คนในสังคมใหญ่นั้นด้วยมีพุทธพจน์แห่งหนึ่ง ในสันเลขสูตรมัจจิมนิกายมูลปัญนาตตรัสไว้ดังนี้ดูกรจุนทะผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกจะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกขึ้นมาได้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกจะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลนอันลึกขึ้นมาข้อนี้ จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้ผู้ที่ตนเองไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมยังไม่หายร้อนกิเลสจากฝึกจากอบรมจา ก, um กทําคนอื่นให้หายร้อนกิเลสข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ผู้ที่ตนเองฝึกแล้วอบรมแล้วดับร้อนกิเลสแล้วจากฝึกจากอบรมจากทําคนอื่นให้หายร้อนกิเลสข้อนี้ จึงจะเป็นฐานะที่เป็นไปได้เพื่อรักษาระบบชีวิตของพระสงฆ์ให้คงสภาพเป็นอิสระไว้ให้ได้มากที่สุดมีพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งในปฏิสันลานสูตรขุททกานิกายอุทานซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหลักแสดงจัรยาบรรของนักบวชความว่าบรรพชิตไม่พึงเที่ยววุ่นไปทำทุกอย่างไม่เลือกไม่พึงเป็นคนของคนอื่น ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงเอาธรรมมาค้าขายเรื่องนี้สรุปได้ด้วยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรสูงสุดซึ่งทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศครบทั้งสองข้อคือทรงทําได้จริงบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่นํามาสอนแล้วด้วยและทรงมีความเป็นอิสระหลุดพ้นทั้งจากระบบของสังคมที่แวดล้อมอยู่ และทั้งจากกิเลส ท, ที่ผูกมัดสมรุมอยู่ในจิตใจในปุพพสูตรสังยุตตนิยขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกอบุบลดอกปทุมดอกบุญทริกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉันใด ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกแต่เป็นอยู่ลอยเหนือโลกไม่ติดกล้วด้วยโลกในวาหุนสูตรอังคุตรนิกายทัศกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระวาหุนะตถาคตสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นแล้วจากธรรมสิบประการ จึงเป็นอยู่ด้วยใจไร้เขตแดนทำสิบประการอะไรบ้างคือตถาคตสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นแล้วจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจากความเกิดจากความแก่จากความตายจากทุกทั้งหลายจากกิเลสทั้งหลาย จึงเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่ไร้เขตแดนเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉะนั้นในอุทุมภริกสูตรทีคณิกายปาติกวัครพระพุทธเจ้าตรัสกับนิคโครธปาริภาชกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงต to ื่นเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่นทรงฝึกพระองค์เองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึกทรงสงบเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบทรงข้ามพ้นเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้นทรงหายร้อนสนิทเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความดับร้อน